ก็จเจริญธรรมพวกเราทุกคนเลยนะประดีคราวนี้ก็สมณาที่เทศให้ฟังสองสมรูปนะสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเราเรียกว่าสายเจโตหน่อยสายเจโตหน่อยนะเพราะฉะนั้นบางทีฟังๆแล้วก็ไม่รู้สิหูจะพับซ้ายพับขวาฟังหรือเปล่าคือคืออย่างนี้นะอาตมาพูดหน่อยหนึ่งคือคือผู้ที่มาฟังทำก็ตาม หรือสมณะที่มาแสดงธรรมให้ฟังก็ตามถ้าโดยใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสงสายใหญ่ๆเท่านั้นแหละวันสายไหนแสดงธรรมเนี่ยสมมติว่าเป็นสายเจโตมาแสดงธรรมสายเจโตด้วยกันจะฟังดีนะจะหูพึงยังกะเลด้เลยนะฟังนี่รู้สึกโอ้โหเข้าใจดีเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็แหมอยากเอาไว้ประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสายตรงกันเนี่ยจะรู้สึกมันมีความยินดี มีฉันทะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่มาฟังเนี่ยพอดีบังเอิญบังเอิญ น, นะเป็นแบบสายปัญญาหน่อยน ะ, ะสายปัญญาหน่อยพอมาฟังสายเจโตพูดบางทีก็โอ้โหอะไรมันจะต้องขนาดนั้นเชยเล้อฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกชักอยากห่างๆเลยนะชักรู้สึกไม่ไม่ไม่ปรุงไปตามธรรมะแล้วแล้วก็จะคอยอะไรอะ่ะเถียงอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะว่าเพราะว่ามันมันจริตไม่ตรงกันแล้วไนงะ อ่ซึ่งซึ่งจริตไม่ตรงกันเนี่ยบางทีจะเข้าใจกันยากพอสมควรนะถ้าถ้าไม่ฝึกกันได้บ้างเนี่ยส่วนท่านคนนี้เป็นสายปัญญามาเทศสายปัญญามาเทศไม่ใช่ท่านปัญญาพุโทโธนะสายปัญญานี่หมายถึงว่าสายที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้มีความเข้าใจมีความละเอียดอ้อจะประพฤติปฏิบัติก็แมมีแง่มุมมีเหลี่ยมคูอะไรต่าง สามารถจะแยกแยะรายละเอียดได้เยอะแยะมากมายนะบอกหนักบอกเบาบอกอะไรได้เยอะแยะแหมท่านี้สายบัญญาฟังก็โอ้โหหูพึงเลยเหมือนกันรู้สึกยินดีพอใจชอบแต่สายเจโตฟังแล้วก็รู้สึกมันวุ่นวายเหลือเกิน <laughs> มากเรื่อง <laughs> สายเจโตจะรู้สึกอู้รายละเอียดมากนี่นะรู้สึกว่ามากเรื่องมันต้องอย่างนี้ลงไปเลยโคร ม, <laughs> มต้องมัธยัตต์ต้องอะไรอ่ะ อดอาหารหรือว่าต้องแบบว่ากินข้าวเปล่าต้องตั้งตะบะอย่างนั้นอย่างนี้คือคือต้องถึงถึงไปเลยนะสายเจโตจะเป็นลักษณะนั้นเพราะบางทีพอมาฟังแล้วสายปัญญาเนี่ยถ้าจะให้ตั้งตะบะจะให้ลดละกิเลยก็ผอนหนักผ่อนเบาค่อยๆลดจากนี้แล้วมันนี้แล้วมันนะี้มีขั้นมีตอนเข้ามาเรื่อยไม่ทันใจของสายเจโตหรอก <laughs> ว่าสายเจโตรู้สึกอย่างงั้นมันช้าไปอ่า ถ้าจะมาให้แหมตั้งแต่บากินกับข้าวสองอย่างบ้างอย่างหนึ่งบ้างแหมหรืออะไรเงี้ยนะโอ้มากเรื่องกินธรรมชาติไปเลยกินข้าวเป่าไปเลยหรือหรืองดไปเลยไม่ต้องกินอะไรอย่างงี้นะบางวันอะนะบอกงดบัางไม่ต้องกินก็ได้คือคื อ, ค, อคือจะต้องอย่างนั้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของจริตนิสัยนะซึ่งบางทีเนี่ยทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้เทศจะต้องเข้าใจในใ น, ในสองสายใหญ่หญๆนี้ถ้าเราเข้าใจได้เนี่ย คราวนี้แหละจะทําใจแล้วก็เอาประโยชน์ได้ละยิ่งจริงๆค ร, ราวนี้ใครเป็นสายแบบเจโตหน่อยนะจริงๆควรจะฟังสายปัญญาให้มากๆเลยแต่ส่วนใหญ่อาตมาบอกเราจะทนฟังไม่ได้เพราะรู้สึกหงุดหงิดรายละเอียดมันเยอะเกินนะรู้สึกมากเรื่องมากความเนินช้ารู้สึกว่าอย่างนั้นวันนี้ต้อ ง, ต, องต้องหัดแล้วเพราะจริงๆมาเป็นส่วนที่ตัวเองขาดนะถ้าเราได้เสริมปัญญาเข้าไปบ้างสําหรับสายเจโต้นะได้เสริมปัญญาเข้าไปบ้างเนี่ย จะรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นจะรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่อ้วนขึ้นนะจะรู้สึกอะไรอ่ะมันพอดีพอเหมาะอะไรพวกเนี้ยได้ลงตัวอะไรนี้มากขึ้นโดยนิสยัยโดย จ, จิตใจโดยชีวิตความเป็นอยู่จะพอเหมาะพอดีมากขึ้นมันจะไม่ตรงตรงนะเหมือนกันบางทีสายปัญญาเนี่ยต้องมาหัดฟังสายเจโตบ้างเพราะสายปัญญาเนี่ยบางทีโอ้ปัญญาเยอะคิดมากนะ เนื้อใต้ออกตกอีสานอะไรคิดหมดนะจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังคิดหมดคิดไปคิดมาจนไม่ค่อยได้ลงมือสักเทไหรเพราะมัวแต่คิดอคิดมากนะบางทีเนี่ยมาฟังสายเจโต่บ้างสายเจโต้คนี้เขาไม่คิดมากนะเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ตูมเอาเลยลงมือเราจะมาสังเกตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยสมัยก่อนตรงนี้ก็มีกุดอยู่หลายกุดนะเสร็จแล้วตะหลังเราก็จะมาปรับพื้นที่มีการยกกุดย้ายกุดกันนะ ย้ายกุฏเนี่ยโหเราไม่ใช่มารื้อกุฏทิ้งนะบางทีก็ถอนขึ้นมาเลยถอนทั้งหลังเลยนะเอามาตั้งใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จำนวนคนเยอะนะบางทีเอาละรู้เลยคราวนี้ใครสายเจโตสายปัญญาเพราะว่าก็จะประกาศนะอาใครมีเรี้ยวแรงใครจะมาช่วยเหลืองานบุญก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนย้ายกุฏประกาศเสร็คนก็มากันใช่ก็มากันก็เยอะเลยหลายคนพอมาถึงคราวนี้เอาละ ก็ต้องรวมพลก่อนนี่เพราะว่าต้องใช้กําลังพร้อมๆกันพอกำลังทยอยกันมาเนี่ยเอาละสายปัญญาก็เริ่มละเดี๋ยว ต, ต้องงัดอย่างนี้งัดเสร็จแล้วไปวางไว้ตรงนั้นนะไอตอนที่จะไอ้นันก็ต้องพูดพร้อมๆกันนะแล้วก็อ่านะอา่าขั้นตอนมาแล้ะสายปัญญาก็เริ่มอธิบายขั้นตอนต่างๆใหญ่เลยนะแต่สายเจตูไม่พูดพันธ์ทำเพลงนะมาถึงก็โอ้ ไม่ต้องรอกเนี่ยมาถึงก็ช่วยกันเลยหลายๆคนเข้ามาเข้ามานะยกเอาเลยเช่ะเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจริตนิสัยที่แตกต่างกันนะอันนี้เลยพูดให้ฟังจริงๆมันยัมีรายละเอียดอีกเยอะนะแต่อันนี้เพื่ให้ฟังคร่าวๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าเออคนเราก็มีหลายจริตมีหลายนิสัยแต่แต่เราแบ่งโดยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆคร่าวๆไว้สองสายใหญ่ๆแต่สายที่จริง ท, ที่ที่ดีที่สุดนะแล้วเราเราเราถือว่า ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเข้าใจรู้แล้วก็ได้ทั้งสองสายนี้อยู่ในตัวจนกระทั่งเรียกว่ามีความพอดีมีความสมดุลอยู่ในตัวอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะเราเรียกว่าอุ ป, ปโตภาคคือมีทั้งสองส่วนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีทั้งสองส่วนนี้ะนนจะเข้าใจจริตนิสัยคนทั้งหลาย แล้วสามารถจะช่วยเหลือแก้ไขอะไรเขากไ็ได้ได้ง่ายเพราะว่ามีความเข้าใจแต่ถ้าอย่างภาษารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นไปในสายปัญญาพอพระโมคคัลลานะเราก็ถือว่าในสายเจโตก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนั้นก็เก่งนะแต่ว่ายังเก่งแบบชนิดที่เรียกว่ายังตรงตรงของของสายของตัวเองจะยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถได้ทั้งสองอย่างเลย ปัญญาท่านก็ก็มีเพียบพร้อมนะ้ามิตรฤทธ์ทางใจที่จะบังคับนะจะอะไรได้เนี่ยเจโตเนี่ยท่านก็มีอยู่ด้วยอันเนี้ยเพราะ น, นี่ศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆเป็นศาสนาที่พยายามเข้าถึงความพอเหมาะพอดีหรือจริงๆเราเรียกทางสายกลางเนี่ยก็คือความพอเหมาะพอดีนะว่าอะไรที่จะตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ตรงกลางแบบอะไรอะ่ะเนี่ยระหว่าง เสาต้นนี้กับเสาต้นนี้นะเอาสองขารตรงไหนก็ตรงนั้นเป็นตรงกลางอันนั้นเป็นแบบคณิตศาสตร์เป็นการคํานวณแต่ของพุทธนี่ตรงกลางเราไม่ได้หมายความว่า อ, อย่างนั้นตรงกลางเนี่ยมันหมายถึงความพอเหมาะพอดีอย่างเช่นเกิดเราไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าเอ า, เอาทำงานก็ได้สมมติว่าเราไปทํางานงานนั้นเป็นงานลักษณะแบบเจโตหน่อยอย่างเงี้ยงานแบบเจโตจะเช่นอะไรดีอ่ะ งานที่ไม่ต้องคิดมากอ่ะไม่ต้องใช้หัวมากกดดินฟันหญ้ากวาดใบ ไ, ไม้อะไรพวกนนะเนี้ยนะเนี่ยเราถือว่าเป็นงานลักษณะแบบเจโตอไปสังเกตดูนะพวกสายเจโตชอบทํางานแบบเนี้ยถ้าลองให้สายปัญญามานทำนี่รู้สึกโอ้เสียเวลานะีรู้สึกว่าไม่ถูกจริตเลยอ่าอย่างง่างเงานอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าเป็นงานแบบลักษณะเจโตมันพวกสายปัญญาจะไม่ค่อยชอบทํา วันจริงๆถ้าจะให้พอดีพอเหมาะเขาเนี่ยใช่ไหมพวกสายปัญญาเนี่ยต้องมาหัดทํางานแบบนี้บ้างอะหัดกุดดินฟันหญาแล้วก็อะไรนะกวาดพื้นเช็ดพื้นทําความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนเนี่ยก็แค่ปัดกวาดเช็ดถูดทําความสะอาดอะไรพวกนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหัดเพราะว่าสายปัญญาส่วนใหญ่หยุดคิดไม่ค่อยเป็นหยุดคิดไม่ค่อยเป็นเพราะมาทํางานอะไรที่มันนิ่งๆลงบ้าง ให้รู้จักหยุดหยุดลงมาบ้างแล้วคนนั้นคราวนี้คนนั้นจะพอดีขึ้นมาอ่าจะเริ่มจะเริ่มค่อยๆปรับสมดุลตัวเองขึ้นมาได้ใช่ไหมเหมือนกันคราวนี้พวกสายคราวนี้พวกสายเจโตเนี่ยสายเจโตเนี่ยชอบนิ่งๆชอบสงบสงบชอบเงียบเงียบหน่อยอะไรวุ่นวายนักไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเพราะเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานที่หนึ่งเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานฌานก็คือความสงบสุขของตัวเองนี่นะ เพราะฉะนั้นไม่ค่อยชอบอะไรวุ่นวายมากเรื่องอะไรหนกขูอะไรพวกนี้ไม่ชอบอันจริงๆแนละ้วต้องฝึกแนละ้วเนี่ยถ้าจะเข้าหาความพอดีของาศาสนาพุทธเนี่ยนะาศาสนาพุทธจริงๆสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยต้องฝึกแล้วไปทํางานอะไรขอ้อนี้หัดไปทํางานเกี่ยวกับประชุมบ้างเกี่ยวกับงานที่แมมต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดไปวิเคราะห์วิจัยวิจารไอ้นั่นไอ้นีน่อะไรบ้างฝึก นะ <N> <an> คือไม่ใช้สมองอยู่หน่อยสมองเหี่ยวมืนนะ <acrylic> สมองฟอร์มืนนะเออเพราะนั้นต้องฝึกบ้างใช้แล้วก็พอพอไปฝึกอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นนะสายสายเจโตก็จะค่อยค่อยค่อยค่อค่อยคเริ่มคราวเนี้ยเจออะไรที่มันหนกคูบังวุ่นวายมั่งคุณเยอะบ้างอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มปรับใจตัวเองได้ไม่รู้สึกว่าอยากหนีเข้าทำอยากหนีลงบาดาลที่ไหน <N> <an> เออจิตมันจะ มันเป็นการล้างกิเลสด้วยอ่าใช่ไหมมันล้างความติดยึดของตัวเองที่ตัวเองสะสมอะไรแล้วบางทีสังเกตไหมละ่ะว่าบางคนเนี่ยหงุดห ง, งดิดเรื่องนั้นหงุดหงิดเรื่องนี้ก็คุณไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหาความสมดุลของชีวิตของตัวเองให้ได้ก็ชอบยังไงก็จะเอาแต่อย่างนั้นชอบยังไงก็จะเอาอย่างนั้ น, งง เ, ออ น, นเพราะฉะนั้นคนนั้นเลยอีกบุมหนึ่งก็เลยไม่ได้สักทีเมื่อไม่ได้สักทีเนี่ยคนนั้นก็จะหงุดหงิดทันทีเลยเมื่อเวลา เจอกับสิ่งที่ไม่ตรงกับจริตเราทันทีก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองติดที่ตัวเองเคยชินอยู่ บ, บ่อยๆก็จะชอบอยู่แต่อย่างนั้นเพราะนั้นจริงๆจะว่าไปเนี่ยก็ไม่รู้อะไรมากขึ้นไม่รู้อะไรเพิ่มเติมจะรู้ดียังไงก็รู้ดีแต่มุมของตัวเองเท่านั้นนะอะอันนี้พยายามพูดมาเรื่อยๆนะค่อยๆแง ค่อยๆแง่แง่ทีละนิดทีละหน่อย ค, อคือคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อหวังว่าเดี๋ยวพวกคุณจะเริ่มและเริ่มรู้สึกชักใกล้ตัวเข้าไปเรื่อยใกล้ตัวเข้าไปเรื่อยนะเอออยากจะถามมุมนั้นมุมนี้บ้างเพราะจริงๆแล้วนี่อาตมายังพูดเป็นกลางๆมาเท่านั้นเองนะเพราะความเป็นจริงเนี่ยแต่ละคนอาตมาเชื่อว่าถ้าคุณยังไม่บรรลุธรรมอะไรเนี่ยรับรองคุณต้องมีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตแน่นอนอย่า ง, งน้อยเนี่ย คุณจะไม่กุญญิตราคาญอะไรบ้างเลยเหร อ, อ, อคุณจะแหมชีวิตอยู่วันวันนึงนี่โอ้ยินดีพอใจทุกอย่างหมดเลยเหรอในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้แล้วลมันจะเริ่มเริ่มถามให้ตรงประเด็นขึ้นมาละอ๋อมีผู้ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราสายอะไรนะก็ต้องใช้ลูกวัด <laughs> ต้องใช้ลูกวัดมาวัดว่าสายอะไรจริงๆก็สังเกตโดยคร่าวๆนะส่วนใหญ่ จริงๆทุกคนเนี่ยมีสองสายเนี่ยอยู่ในตัวนะทุกคนเนี่ยสายคู่งั้นน่ยไม่มีใครสายเดี่ยวหรอกถ้าจริ ง, รงๆแล้วเพียงแต่ว่า ม, มามันอะไรมันมากกว่ากันอย่างเช่นที่เราบอกว่าพวกสายปัญญาเนี่ยสายปัญญาเนี่ยเขาก็จะใช้ความคิดเนี่ยอยู่อยู่บ่อยๆอยู่มากจะทําอะไรเนี่ยวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเพราะบางเรื่องคุณไปสังเกตดูาบางเรื่องคุณก็ไม่วิตกวิจาร์เลยยิ่งเรื่องไหนเนี่ยบางที ไม่ชอบมากๆหรือชอบมากๆเนี่ยคุณไม่ไม่ค่อยวิโตวิจารณอะไรแล้วอย่างเช่นไปเจอของอร่อยอย่างเงี้ยอยากกินคุณไม่นึกอะไรแล้วคนนี้โอ้โหเอามาได้เอามาเลยกินกินกินคุณไม่คิดอะไรมากเลยเพราะมันชอบสัอย่างว่าไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดเลยนะามากน่าจะเหลือให้คนอื่นเขากินมั่งนะไม่คิดแนละขอกินคนเดียวแหละมันอร่อ ย, ยจะกินคนเดียวอะหรือบางทีโกรธเกลียดอย่างเงี้ย ใช่ไหโกรเกลียดเ้าคุณไม่ไใจพิจารณารเลยว่าเขามีดีอย่างนั้นเขามีดีอย่างนี้ใหม่ะเราไม่ชอบเราก็ผักโคมทิ้งไปเท่านั้นเองอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่คิดเหมือนกันว mm ัน hmm. ทุกคนเนี่ยจริงๆมันมีคิดมากกับไม่คิดอะไรเลยอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกคนแต่โดยองค์รวมส่วนใหญ่ในชีวิตคนนั้นอะส่วนใหญ่ที่เราเจองานการนะเออเจออุปสรรคเจอปัญหา ภายในที่ทํางานภายในบ้านก็ตามที่เราจะเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราคิดมากกว่าไอ้ที่ตัดไปเลยตัดไปเลยเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเป็นมาในเชิงของสายแบบปัญญายังคงค่อนข้างใช้ปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยมากกว่ามากกว่าที่จะใช้การตัดโครมโครมลงไปเลยแต่ถ้าพวกสายเจโตเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดมากหรอกแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่คิดเลยเห็นไหมเพราะทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้อง มันมีสมองอไงยังไงก็ต้องคิดคิดแต่ว่าเขาคิดน้อยไม่ค่อยคิดมากอะ่ะบางเรื่องก็บอกแล้วแทบไม่คิดเลยเดิมซ้ําไปอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสายเจโตเขาจะตัดตัดบางทีเนี่ยโดนเขาด่าอย่เงี้ยเออโดนโดนเพื่อนโดนพี่น้องหรือว่าโดนเจ้านายอ่าโดนคนข้างบ้านบางทีว่าเาอะไรเอาสายเจโตก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจอะไรมากบางทีก็ด่าได้ดา่ด า, ดาไป เดี๋ยวก็หมดแรงเบงช่างก็ตัดแล้วไม่คิดอะไรมากแล้วไม่ไม่คิดต่ออะไรยืดยาวบางทีนี่มาฟังเทศฟังธรรมโอ้ท่านบอกว่าอย่างนี้ดีเหรอเอออย่างนี้ดีเอาเดี๋ยวกลับไปบ้านทำเลยบางทีบ้านแทบแตกเนี่ยกลับไปบ้านถึงทำเลยเนียไม่คิดอะไรมากอ่ะทำเลยนะบางทีทาไปโอ้โหนะบางทีพ่อแม่พี่น้องทังบ้านนี่โอ้โหแทบจะปรับตัวกันไม่ทันเลยนะ อไม่คิดมากจริงๆนะครบอกว่าเอ้ยก็มันดีก็ดีเนี่ยก็ฟังท่านพูดแล้วก็ดีเนี่ยก็ทําเลยอ่ะจริงๆไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรมากหรอกนะสายเจโตเนี่ยก็จะค่อนลักษณะเนี้ยเพราะฉนคนสายเจโตก็มีปัญญาว่าไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาเพียงแต่ว่าค่อนข้างใช้การตัดจิตตัดใจเนี่ยไปก่อนนนําไปก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้อย่างเงี้ยสัมากบางทีทุกอะไรมาเงี้ยเอา้าบางทีอกหกักอกพันแฟนทิง้ง สายเจโตนี่ง่ายเลยถ้าใครเป็นสายเจโตเนี่ยนะ อ, อกหกัก อ, อกพังแฟนทิ้งก็ก็ช่างหัวเอง <laughs> ช่างหัวเองไมไรอ่ะเอ่อเอ็งไม่รักข้าข้าก็ไม่รักเองนะจบ <laughs> ไม่ยากสายเจโตไม่ยากอก่เออแต่สายปัญญาเนี่ยโอ๊ยยังอะไรอ่ะวา น, นานยาวเดี๋ยวก็คิดถึงแหมเราจะทาให้นั่นให้ถ้าไม่นี่ให้โอ้ <laughs> คิดอยู่นั่นน่ะคิดวนไปวนมา กว่าจะตัดใจกันได้ยาวนานเสียเวลามากนั่นแหละมัน น, นี่นี่พูดโดยลักษณะคร้าวนะซึ่งซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้าเราฟังดูเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออเราน่าจะสายไหนเออเอาพูดง่ายในชีวิตรจริงๆก็ได้ปกติคุณก็น่าจะรู้ว่าคุณจะอยู่สายไหนอย่างเช่นบางทีเอาง่ายง่ายเนี่ยเนี่ยแค่กินอาหารเนี่ยเรื่องอาหารการกินบางคนเน่ะโอ้โหเห็นในนั่นเห็นในนี่อะไรก็เอาแหละ เลือกใหญ่เลยเลือกอยู่ต้องนอนเออไอนี่ก็ชอบไอ้นั่นก็ชอ บ, หชอบแหมบางทีเต็มกะละมังเลยเต็มกะละมังไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าสายปัญญาเนี่ยเผื่อเยอะสายสายปัญญาไอนั่นก็ดีนะมีวิตามินเกลือแร่มีประโยชน์รู้มากเขด้วยนะโอ้ไปไปมาๆนี่พูนกะละมังเลยเบิรกินไม่ค่อยหมดหรอกสายปัญญาเพราะเอามาเยอะปัญญาเยอะแหมรู้วิตามินเกลือแร่เยอะเออ หลายใจโตบางทีมีอย่างสองอย่างห ย, ยิบมาใส่ใสก็รางวังมาบางทีมีน้อยก็เอมีน้อยก็น้อยช่างหัวมันจะกินไปตามเนี่ยไม่คิดอะไรมากเลยกินแค่นี้ก็เอแค่นี้ก็แค่นี้พอจบไม่คิดอะไรมากหรอกไม่คิดว่าโอ้โหเดี๋ยวเรากินไปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังธรรมอีกนะแล้วกว่าเราจะกลับบไปอีกนะก่อนจะได้กินอีกนะเนี่ยถ้าสายสายในเชิงพวกปัญญาเนี่ย ม, มันจะอย่างนี้มันจะวิตกวิจารไปเรื่อย แต่ถ้าวิตกวิจารณ์ไปโดยที่หาจุดหยุดไม่ได้นะหาจุดลงลงเออยไม่ได้เขาไม่เรียกว่าสายปัญญาแล้วนะเขาเรียกว่าสายวิต ก, กะคือสายฟุง้งซ่านเป็นสายฟุ้งซ่านไปเลยเออันนี้ต้องระวังต้องระวังให้ดีสายเจโตก็เหมือนกันถ้าเจโตจนกระทั่งไม่เหลือปัญญาเอาไว้พิจารณาบ้างเลยนะอันนั้นเราเรียกว่าเป็นส ม, มถะไปเลยเป็นแบบฤือสีไปเลยคือฤือสีเนี่ยเกามีแต่ ดับดับดับดับดับไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดอะไรมากจบจบจบปัญหาจริงๆปัญหายังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนะแต่สายเจโตบอกจบแล้วจบแล้วใครไม่จบช่างหัวฉันจบแล้วอ่เพราะบางทีเนี่ยสายเจโตบางคนเนี่ยเขาเดินผ่านผู้คนอย่างเงี้ยอเนี้ยสมมติเนี่ยเหมือนกับเขาเดินอยู่คนเดียวอะเพราะว่าอะไรไม่ใส่ใจไม่สนใจเหมือนไม่มีคนอยู่อา้าว สายเจโตก็ต้องเก่งอย่างนีจริงๆนะถ้าหมายถึงว่า น, นี่จะตรงตงไปแล้วนะตรงๆแบบฤาษีไปเลยว่านฤาษีถึงแบบไม่ค่อยอยากอยู่กับผู้คนชอบสงัดชอบสงบอยู่ลําพังผู้เดียวจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยมันมันตรงจากเจโตไปมากจนไปเป็นสมถะแบบฤาษีไปเลยแต่ถ้าจะเป็นเจโตแบบวิมุตต์เนี่ยแบบของศาสนาพุทธนี่เจโตก็วิมุตต์ได้สามารถบรรลุธรรมได้สามารถพ้นทุกข์ได้ ถ้าเป็นเจโตอย่างของพุทธถึงบอกว่าโตรงยังไงก็ตามก็จะต้องมอีอีกส่วนหนึ่งอะ่ะคือปัญญาเข้าไปประกบให้ได้ถึงจะบรรลุทำได้ถ้าใครเนี่ยไม่สามารถเอาอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเสริมเข้ามาเติมให้เต็มให้สมบูรณ์ได้จะไม่สามารถบรรลุทำได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องมีทั้งสองส่วนให้ได้เพียงแต่ว่ามีสองส่วนแบบขย e ง g ขย e งไง ที่เราเรียกว่าสายเจโตวิบุตเนี่ยหมายถึงว่าสามารถบรรลุธรรมสามารถหลุดพ้นได้ก็ยังคงแบบใช้แหมการควบคุมใช้การบังคับจิตนะกดข่มลงไปแล้วก็ค่อยเอาปัญญามาล้างทีหลังเสร็จแล้วก็เออเข้าใจกิเลสได้แล้วก็ล้างกิเลสทิ้งไปได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเจโตวิบุตส่วนสายปัญญาคนนี้ปัญญาเนี่ยแหมพิจารณาอย่างงั้นอย่างนี้ยวูรู้อะไรดีอะไรชั่วรู้รายละเอียดอะไรหมดเลย นะกิเลสมาจากต้นตอตรงไหนก็รู้อยู่นะกิเลสไม่ได้มาจากคนอื่นชัดเลยนะสามารถพิจารณาไปถึงต้นเหตุจริงๆว่าแท้ๆก็เกิดจากกิเลสของเราเองไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสคนอื่นเลยพิจารณาได้ถึงขนาดนี้นะแต่ถ้าไม่มีเจโตคือไม่มีกำลังของจิตที่จะแบบว่าจัดการเมื่อรู้รายละเอียดหมดแล้วเนี่ยมีกำลังจิตที่จะฟันกิเลสตัวนี้ทิ้งไปได้ คนนั้นก็จะไม่บรรลุนะเพราะฉะนั้นสายปัญญาที่จะเป็นปัญญาวิมุตต์ได้เนี่ยหมายถึงว่าโหรู้กิเลสรู้ต้นตอรู้อะไรหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องในที่สุดสุดท้ายใช้กําลังจิตเนี่ยประหารเขาเรียกว่านะฆ่ากิเลสนั้นไปให้ได้ด้วยปัญญาของตัวเองเนะแต่แต่ต้องใช้กําลังจิต ด, ด้วยประหารทิง้งซะถ้าประหารได้คราวนี้คนนั้นก็จะบรรลุบรรลุในเรื่องนั้นๆก็ตามเราเรียกว่าปัญญาวิมุตต์แต่ก็ยังตร ง, ตรง ลักษณะคนนั้นก็ยังค่อนข้างใช้ปัญญาเนี่ยมากกว่าก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งบอกแล้วต่างจากพระุทธเจ้าท่านก็จะใช้ทั้งสองสว่วนที่ท่านใช้ทั้งสองส่วนได้แล้วท่านเข้าใจก็เพราะว่าพระุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ง่ายหลายชาติที่ท่านสร้างบารมีสะสมมาเยอะแยะมากมายทั้งเจโตทั้งปัญญาท่านสะสมมามากจนกระทั่งแม้ชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะดูสิตอนตอนแรกๆอ่ะท่านก็อยู่ในพระราชวังใช่ไหมโอ้โห มีความสุขมีความสบายทุกอย่างเลยไม่ต้องไปเหนือ่อยไม่ต้องไปลาบากไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมีอะไรมาบารุงบำเรอได้จริงๆตอนนั้นน่ะถ้าจะพูดไปมันก็เป็นเชิงแบบท่านสบายแล้วเป็นแบบสายปัญญาแต่เห็นไหอล่ะเพียงแค่ท่านเสด็จออกไปพระราชวังแค่ครั้งครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นน่ออกไปเห็นคนเกิดคนแก่อะไรพวกนี้ไปเห็นแค่นั้นเองดูสิปัญญาท่านขนาดไหน เป็นพวกเราเห็นมาต้องเยอะแล้วกี่ร้อยลายไปเผาศพมาก็ต้องเยอะกี่ร้อยศพไม่เครจะรู้สึกอะไรเลยท่านไปเห็นแค่ครั้งเดียวคิดดูสิเออเห็นแค่คนตายแค่ครั้งเดียวเห็นแค่คนแก่แค่ครั้งเดียวเงี้ยเห็นเสร็จโอ้โหปัญญาท่านขึ้นเลยโอ้คนเราจะต้องเป็นอย่างงี้เหรอนะท่านรู้สึกได้ทันทีเลยแต่พวกเราเนี่ยอกหักอกพังก็แล้วมีลูกตั้งหลายคนก็แล้วโอ้โงทีโดนดา่าโดนว่ามาก็ต้องเยอะ ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยยังอยากมีอีกยังอยากเป็นอีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือเห็นว่าท่านสะสมมามากคุณเจ้าท่านถึงบอกโอ้โหตอหลังท่านรู้เลยเห็นไหมพอท่านรู้ปั๊บท่านก็เตรียมเลยคราวนี้พิจารณาเสร็จโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องหาอะไรที่จะมาดับทุกข์พวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ท่านก็เลยต้องท่านคิดว่าการออกบวชนั่นแหละที่จะเป็นทางพ้นทุกข์ได้เห็นไหมถึงได้ออกจากพระราชวัง มาเนีท่านต้องมีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมถึงจะคิดอย่างนี้ได้เอาเพอออกมาเสร็จอันนี้ก็เป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นวิบากกรรมของท่านอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเองนะท่านตรัสไปเองว่าว่าเพราะท่านเคยไปอดีตชาติท่านเคยไปป่วยง่ายเหมือนกับไปตําหนิไปว่าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุทำแล้วเพราะว่าไปเห็นพูง่ายว่าเหมือนกับโอ้ลําบากอ่ะมาเป็นนักปวดมาเป็นอะไรพวกนี้มาทําตัวลําบากนี้ มันจะไปบรรลุมันจะไปอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยท่านกับูุ้ยง่ายไปว่าทํานองนี้แหละยัก็เป็นผลพิบากที่ทําให้คราวนี้ท่านอยากบรรลุธรรมอ่าท่านก็มาออกบวชออกบวชเสร็จท่านก็เลยคือยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการจะบรรลุธรรมได้ต้องทรมานตนอาเวลคราวนี้เจโตแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของเจโตท่านก็คิดว่าเนี่ยต้องใช้แบบสายเจโตแล้คราวนี้ ท่านก็เลยไปมัวนั่นแหละหกปีไปบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาหกปีก็ทรมานตัวเองอยู่นั่นนกว่าจะมารู้ชัดว่ามันผิดทางแล้วท่านถึงเลิกถึงทิ้งไปคราวนี้เนี่ยทั้งปัญญาท่านก็ผ่านมานะท่านก็มีปัญญาที่จะทิ้งลูกกดเคือญาติอะไรต่างๆทิ้งพระราชวังเนี่ย อ, อท่านเห็นไหมท่านมีปัญญาที่ท่านจะรู้แล้วท่านก็ทิ้งเสร็จแล้วตาหลังพอมา บำเพ็ญทุกรกริยามาทรมานตัวเองแต่หลังท่านก็เออเมื่อมันผิดทางเนี่ยมาทรมานโอ้โหจนจะตายอยู่แล้วอ่ะต้องเจโตแข็งมากๆนะท่านประกาศเลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าท่านได้แล้วการทรมานตัวเนี่ยทรมานตนใครที่เก่งที่สุดในโลกนี้ยังเก่งก็ทําได้แค่เท่าท่านเท่านะั้นังไม่สามารถทําเกินกว่าท่านไปได้อันนี้ท่านท่านประกาศไว้เลย นะเสร็จแล้วก็พอตาหลังท่านก็เห็นว่ามันผิดทางท่านเลยทิ้งเลยก็ น, นี้เห็นไหมเจโตท่านก็แข็งนะปิดทางรู้ว่าผิดทางก็ทิ้งเลยพอทิ้งเสร็จท่านก็คราวนี้ก็เอาละ่ะคราวนี้ผ่านมาหมดแล้วนี่ทั้งปัญญาก็รู้แล้วทั้งเจโตก็เข้าใจดีแล้วอ่าคราวนี้สองส่วนนี้มันมารวมกันแล้ววันขัท่านก็มาพิจารณาคราวนี้พิจารณาทั้งสองส่วนเจนก็ทั้งเออ ท่านคิดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยมันไม่น่าจะเกียรติความสุขความสุขโดยทางธรรมนะความสุขที่จะได้มาโดยไม่ต้องมีกิเลส อ, อ่ภาษาเราเรียกว่าโลกุตระนั่นเองแต่ถ้าภาษาแต่ก่อนนั้นเขาเรียกว่าความสุขที่มันไม่มีกิเลสอ่ะอะท่านบอกเออเราไม่น่ากลัวนะไม่เห็นจะต้องไปกลัวเลยความสุขที่มันจะไม่มีกิเลสนั่นเนี่ยทา่านก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยจนในที่สุดท่านก็เข้าใจ เรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็บรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะอันนี้พูดให้ฟังนในลักษณะทีอ่อะไรเพื่อเป็นง่ายคิดนให้กับพวกเราเพราะว่าจริงๆในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยอาตมาอยากแนะนำว่าคนเราโดยปกติตรงๆคราวนี้คุณจะรู้ว่าคุณเจโตหรือไม่ไม่เจโตปัญญาหรือไม่ปัญญาอะไรก็แล้วแต่ ตมาให้แง่คิดง่ายๆคุณไปสำรวจชีวิตปกติในแต่ละวันเนี่ยเราติดอะไรมากๆนะยิ่งยิ่งขอย้าว่ายิ่งเรารู้เลยว่ามันมีผลเสียมีผลไม่ดียังไงด้วยอ่านะไอ้ที่คุณไปติดมากๆเนี่ยยิ่งติดอันนั้นก็ไม่ค่อยดีด้วยยิ่งชัดเลยอันนี้จะเห็นได้ง่ายให้คุณรู้เลยว่าไอ้ที่เราไปติดมากๆคราวนี้นะคุณไม่ต้องรู้ก็แต่คุณจะสายไหน อาสายสี่สิบเก้าหรือสายหกสิบก็แล้วแต่ไม่ต้องรู้ว่าสายไหนแต่ปรากฏว่าเรารู้แล้วอันนี้เราติดแล้วเราก็เห็นโทษภัยเห็นอะไรมันอยู่ว่าอันนี้ติดมา ก, ก น, นะอย่างพูดง่ายอย่างบางคนติดทีวีดูหนังดูละครเนี่ยรู้เลยโอ้เราติดบางทีแหมอย่างอื่นอะไรรีบวางรีบทิ้งเลยนะรีบมานั่งหน้าจอก่อนแล้วมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเออ เราก็รู้รู้ได้เองรู้ได้ง่ายๆเนี่แหละถ้าเป็นอย่างงี้ปับ๊บไม่ยากอ น, นุบาลบอกคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าคุณสายไหนแต่คุณติดอันนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นติดอันนี้มันมันมันจะเกินอันนี้แล้วถูกต้องมเพราะฉ ข, อขอ้อนี้ง่ายที่สุดที่คุณจะสร้างความพอดีให้กับตัวเองก็คือเอ้ยถ้าติดมากเนี่ยมันก็ต้องยิ่งเสพมากมันก็ยิ่งจะกินมากจะใช้มากเพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนี้เอาหัดลดลดมันดูบ้างในสิ่งที่เราติดนั่นอ่ะหัดลดลด ลดให้มันเบาลงสิแล้วก็ค่อยๆหัดวางจิตวางใจเราคราวนี้ยเรากําลังเริ่มปรับจิตแล้วนะปรับจิตตัวเองแล้วมันติดนะก็เอาหัดให้มันน้อยๆลงหน่อยสิต้องสู้นะต้องสู้นะต้องฝืนใจอยู่เหมือนกันนะแต่เนี่ยกําลังเป็นวิธีที่คุณกําลังจะเดินเข้าหาความเป็นกลางของชีวิตที่ไม่สุดโตง่งชีวิตที่ไม่สุดโตง่ง แหมถ้าเทศน่าจะตั้งชื่อนี้นะเออชีวิตที่ไม่สุดโต่งเพราะชีวิตคนเราเนี่ยที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือชีวิตที่พอดีพอเหมาะส่วนอย่างไหนข่าวนี้อย่างไหนเนี่ยเราเกลียดเราผักเราไม่ค่อยทํามันไม่ค่อยอยากทําด้วยวขี้เกียจทําด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างบางคนนะอาจจะขยันทา ง, งานดีนะจนขยันทํา ง, งานเกินอันนั้นต้องไปดูนะหันรถรถลงบ้างบางทีไม่งั้นสุขภาพจะเสียอ่าแต่บางคนเห็นไหม ดูนะขี้เกียจเช่นอะไรขี้เกียจบริหารร่างกายมัง่งหรือขี้เกียจออกกําลังกายขยันอย่างอื่นนะแต่ขี้เกียจบริหารร่างกายแล้วก็รู้อยู่นะว่าเนี่ยพราะเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนี่ยสุขภาพเราก็เลยไม่ค่อยดีอ่ามันก็เลยบกพร่องจุดนั้นบุกพร่องจุดนี้รู้รู้อยู่กับใจของตัวเองเลยอย่างนี้กูรู้แล้วบอกแล้วสายไหนก็ช่างหัวมันเถอะอ่าแต่เรารู้แล้วเนี่ยเนี่เนี่ย เราขี้เกียจแล้วเราก็เลยผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเราวัานชีวิตอย่าสุดโตง่งเพราะฉนั้นสร้างความสมดุลให้ชีวิตสิชีวิตที่สมดุลเนี่ยชีวิตที่มันพอดีพอเหมาะสุขภาพจิตก็จะดีสุขภาพกายก็จะดีอ่านั่นแหละคือความสุขของชีวิตที่แท้จริงวันข่าวนี้คนนี้รู้ใช่ไหมอ่าก็ต้องเพิ่มหน่อยเจนะเพิ่มหาเวลาบริหารร่างกายมัางอะไรบั่งเพื่อที่จะให้ชีวิตมันสมดุลขึ้นมา จริงๆเนี่ยใครแค่ไปสังเกตชีวิตตัวเองปกติแล้วก็ปรับให้มันสมดุลขึ้นมาโดยเฉพาะสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยก็หัดเว้นบ้างหัดเลิกมันบ้างาเพื่อที่เราจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนไหนดีบางทีคราวนี้นะดีดีมากๆเลยเป็นเป็นบุญเป็นกุศลด้วยแต่เราก็ติดมากติดจนกระทั่งบางทีเนี่ยอะไรที่มันเกินสมดุลเนี่ยอย่างเช่น คุณคุณว่าอไปสอนคนเขาเนี่ยไปเทศไปสอนคุณว่าดีไหมอันจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเทศมากไปอย่างเนี้ย <c oughs> เทศเกินเวลาพูดมากไปมันชักจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเอะไม่ต้องอื่นกลขนาดสมานาเนี่ยชักเทศเยาวเกินเวลาแล้วโยมชักเริ่มคิดในใจแล้วเมื่อไรท่านจะจบทุกทีนะ <c oughs> <c oughs> ข่าวนี้นะเริ่มแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ะทุกอย่างในโลกนี้มัน มันมีจุดพอดีของมันเพรา น, นี่นี่ขนาดยกตัวอย่างสิ่งที่ดีแล้วนะดีนี่ยังต้องให้พอดีด้วยนะมันถึงจะยอดเยี่ยมถึงจะประเสริฐแต่ถ้าสมมุติว่าดีเนี่ย ค, คุณเกินไปนี่สํานวนพ่อท่านใช้อาจจะดีแตกดีเกินหรือดีแตกถูกแล้วถูกแล้วล่ะนะอัตมาก็เคยยกตัวอย่างบางทีบอกสมมติว่าต้นไม้เนี่ยเนี่ยเอาต้นใหญ่ใหญ่เนี่ย นะสมมติสมตสมตินี่เป็นต้นไม้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหต้นเท่ากี่คนโอบเนี่ยน่าจะสักสองคนสามคนโอบนะต้นไม้เนี่ยคือว่านเนี่ไงคือกิเลสเราสะสมมามากต้นไม้มันเลยโตกิเลสนะโอ้โหคุณคิดดูถ้าให้คุณฟันต้นไม้นี้ให้ขาดอนะคือคือคื อ, คอจะตัดกิเลสให้ขาดเนี่ยใช่ไหมเอาละตอนนี้คุณจะตัดกิเลสให้ขาดใช่ไหมคุณจะต้องใช้อะไรบ้าง หนึ่งก็คือต้องใช้อ ะ, อะไรอ่ะอาบุแต่เครื่องมือที่จะต้องมาตัดแล้วคุณจะใช้ขวานก็ตามคุณจะใช้มีดก็ตามหรือใช้อะไรใช้เลื่อยไฟฟ้าก็ได้เอาเพราะหนึ่งอย่างแรกก็คือคุณต้องมีอันเนี้ยเครื่องมือสองคราวนี้เครื่องมือมีแล้วต่อไปคุณมีดาบวิเศษด้วยโหคมกิบเลยแต่ปรากฏว่าคุณไม่มีแรงยกดาบฟัน ต่อให้ดาบวิเศษด้วยนะแต่คุณไม่มีแรงยกดาบฟันเนะี่ยต้นไม้ก็ไม่ขาดทันทีที่บางคนเขาเปรียบกันเนี่ยก็ใช่แล้วสมมุติว่าปัญญาเนี่ยเหมือนกับอาวุธวิเศษเลยแต่มันต้องมีแรงยกเอามาฟันได้ด้วยถ้าไม่มีแรงยกแรงยกนี่ก็คือเจโตนั่นเองมันถ้าไม่มีแรงยกมาฟันต้นไม้ไม่ขาดหรอกกิเลสไม่หมดหรอกคุณไม่มีทางเว่ามันจะต้องทั้งสองอย่างนี้นะจะต้อง คู่กันมาถึงจะทำให้กิเลสเนี่ ย, ข า, ยขาดไปได้ขาดไปได้หมดไปได้เรื่อยๆถึงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นไม่ผิดหรอกที่ที่ละกี้พูดมานะอ่ะพูดมาพอสมควรแล้วอ่ะวันนี้ก็คงพอเพียงท่านี้นะ